ขึ้นบนไปบนบกด้วยเขาว่าเขาด่าว่าเราในเมืองก็ให้กองไว้ตรงนั้นอย่าแบกเอาเข้ามาในวัดคือเชตะวันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคําคกล่าวของพระนัญทียะนะที่สรุปรวบคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนท่านเอาไว้ซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะว่าจุดเน้นอยู่ที่เรื่องการปล่อยวาง ปล่อยวางทั้งข้างหลังข้างหน้าและท่ากลางหมายความว่าอย่างไรก็คืออดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันอารมณ์ใดที่น่าพอใจไม่น่าพอใจก็วางไว้เป็นกองกองที่พระพุทธเจ้าในเรื่องการปล่อยวางก็เพราะว่าความทุกข์ของคนเรานะอันที่มาถึงทุกข์ใจนะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากความยึด ต, ติด ะสิ่งที่เรายึดติดนะจนเป็นเหตุให้ทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตเวลาเราเสียใจยเราเสียใจยเรื่องอะไรนะเราก็เสียใจยเรื่องที่ผ่านไปแล้วทั้งสิน้นเวลาเราโกรธเนี่ยเราไม่จะโกรธเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วคาพูดของใครบางคนการกระทาของใครบางคนที่นะทาร้ายเราเวลาเรารู้สึกผิดเนี่อลารู้สึกผิด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 ความวิตกกังวลความกลัวทั้งหมดเนี่ยนะเราเรียกว่าความทุกข์แล้วก็จะเห็นได้ว่านะมันก็ลอแล้วแต่เกิดขึ้นเมื่อใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจไปนะหมกมุ่นคุ่นคิดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะรวมทั้งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วนะความทุกข์คนเราเนี่ยความทุกข์ใจคนเราส่วนใหญ่มันเกิดเพราะเหตุนี้อย่างพวกเราเนี่ยนะ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 แค่นี้เราก็รู้ได้นะจากประสบการณ์ของเราว่ามันทำให้เป็นทุกข์มากแลวมันก็แปลกนะาทั้งที่ไปหมบมุ่นจดจ่อกับมันแล้วทุกข์นะ <c oughs> เช่นไปนึกถึงเงินที่หายโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปทองที่ถูกโจรลักเอาไปหรือว่าคำตาหนิติเตียนต่อว่าด่าทอนึกถึงมันทีไรก็ทุกข์นะ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 มันก็ไม่ต่างจากการที่เราไม่เพียงแต่ถือเอาเศษแก้วไว้ในมือเท่านั้นแต่เรยังกำรรแล้วก็บีบมันเอาไว้แน่นแล้วเราก็เจ็บเองแต่ทําไมเราไม่หยุดบีบไม่หยุดกำรรทั้งที่เจ็บปวดก็เพราะความไม่รู้ตัวเพราะความลืมตัวแต่ถ้าเรามีความมีสติมีความรู้สึกตัวมีความรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ย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 ก้อนหินเน่ยนะเราจะสั่งให้มันเป็นปุ๋ยหินปุ๋ยนุ่นเนี่ยเราทําได้ไหมเราทําไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือว่าเราเลือกที่จะไม่แบกมันเราเลือกที่จะไม่จับมันของแหลมนะเศยแก้วเราจะสั่งให้มันกลายเป็นหินมนๆเราทําได้ไหมเราทําไม่ได้ แ, แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราเลือกที่จะไม่ไปจับมันไม่ไปบีบไม่ไปกำมันเอาไว้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 แต่พอจย์ทักขึ้นมาได้สติรู้เลยว่ากำลังปล่อยให้ความโกรธมันเผาใจก็วางเลยนะวางเลยปรากฏว่าจิตใจก็โปร่งเลยแล้วก็เลยทำให้เกิดความความความทึ่งนะในอำนาจของสตนะิเพราะว่าตอนนั้นก็มีพื้นทาง น, นพุทธศาสนาอยู่บ้าง ก็เห็นเลยว่าสตินี่มันทำงานอย่างไรพอแค่รู้ตัวเท่านั้นแหละนะมันวางเลยนะวางความโกรธเหมือนกับวางฐานร้อนๆเวลาเราโกรธนี่เราไม่รู้หรอกนะว่าเรากำลังกำลังกำลังกํา่านร้อนๆไว้ในใจมันร้อนก็จริงแต่ไม่รู้ตัวก็เลยปล่อยก็เลยถือนะแล้วก็ปวด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 นอกใจนะเธอโกรธมากเลยที่เคยพูดหวานๆพูดภายหลักับสามีนี่เปลี่ยนกลับไปเลยนะเป็นการใช้ถ้อยคาที่รุนแรงกูมึงพรารู้สึกว่าถูกหักหลังรู้สึกว่าถูกทำร้ายถูกทรยต์สุดท้ายก็เลิกกันนะตอนที่เลิกกันเธอคิดว่าเนี่ยคงจะแย่นะปรากฏว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ก็ยังแปลกใจตัวเองว่าออสงสัยเป็นพาะเราปฏิบัติธรรมมาพอเลิกกันแล้วก็ไม่ได้จิตใจก็ไม่ได้ตกต่ำายํมแย่อะไรเพียงแค่ปรับตัวเท่านั้นไม่เกี่ยวที่ต่อมาเธอก็ไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมนเจ็วันปรากฏว่าแค่ปฏิบัติธรรมนะวันแรกนี้ก็จิตใจก็รุ่มร้อนเลย รุมร้อนเพราะว่านึกถึงอดีตสามีนึกถึงการกระทําที่เขาย้ำเยีจิตใจของเธอโกรธมากไอ้ที่เธอคิดว่าปล่อยวางเอาไว้ได้แล้วเนี่ยหรือว่าทําใจได้แล้วที่จริงไม่ใช่ไอ้ก่อนนานนั้นเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าใจมันเพิ่มีเรื่องทำโน่นทํานี่นะแต่พอไม่มีอะไรทําพอมาปฏิบัติทําใจว่างมันก็ไป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 ตอนที่เดินนี่ก็เอามือก็เอามือกลุ่มไว้ข้างหน้าอันเดินในท่านนั้นนานๆเนี่ยมือก็เมืออม่อยความเมื่อยก็ปล่อยมือปล่อยมือก็สบายไอ้ช่วตรงนั้นเองที่จิตเนี่ยมก็ที่เคยรุ่มร้อนมันก็พลอ ย, ปลอยโปรง่งโ่่งเบาสบายไปด้วยเพราะว่าได้เห็นเลยนะว่าไอ้ที่ปล่อยเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อ น, นั้นที่ทูกขเพราะไปยึดเอาไว้